ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมเรื่องทนต่อคำสอนสังฆามาวจรชาดกโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่16พฤศจิกายน2538ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นะ้ำบัดนี้ค่ะ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 มียศเท่ากับเป็นน้องไใช่ไหมโพรธของพระมาตุฉามาตุฉานี่คือน้านี่ยคืออะไรนน้องน้องของแม่ใช่มนะพระมาตุฉาเนี่ยหละคือเจ้าชายนันทะนั่นเอง้าชายนันทานี่เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นลูกลูกของนาอา ท่านท่านพนันท่านเนี่ยได้บอกแกภิกษุเป็นอันมากอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์อยู่ได้ผมจะบอกคืนสิทิขาลาเพศละ <c oughs> คือเริ่มเรื่องขึ้นมาเนี่ยเจ้าชายนันทะาใครจำเรื่องได้บ้าง ว่าเจ้าชายอันทาเนี่ยมาบวชพ่ออะไรยังไงใช่ตั้งแต่วันวันแต่งใช่ไหมอจริงๆอาจจะมาก็ยังไม่ได้ในพระสูตรนะยังไม่เจอนะว่าไม่รู้วันแต่งหรือเปล่าหรืออาจจะแต่งแล้วก็ได้คือแต่งแล้วแต่ไม่รู้ว่ากี่วันแต่ว่าเพิ่งแต่งใหม่ๆนั่นแหละแต่งไม่นานนั่นแหละปรากฏว่าผู้เจ้าท่านก็ ไปชันใช่มอ่อพอไปชันเสร็จแล้วก็ขากลับก็เนี่ยให้เจ้าชายนันท่าเนี่ยถือบาทตามมาแล้วก็ตหลังก็เลยเอามาบวชเลย <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยเจ้าชายนันท่าพอบวชแล้วใช่ไหมคราวนี้เนี่ยบวชไปได้สักระยะหนึ่งก็จะขอลาศึกแล้ว ครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งคั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระนันทะพระพาดาของพระผู้มีพระภาคโอรสของพระมาตุชาได้บอกแก่ภิกษุเป็นอันมากอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์ผมจะบอคืนสิขาลาเพศลำดับนั้นฟังความแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเรียกนันทภิกษุมาตามคำของเราว่าท่านนันทะพระาศาสดารับสั่งให้หาท่าน ภิกษุนั้นทูลรับคำพระผู้มีพระภาคแล้วก็เข้าไปหาท่านพนันทะจนถึงที่อยู่แล้วได้บอกกล่าวกับท่านพนันทะตามตามความนั้นพระนันทะก็รับคำภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมนั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพนันทะว่า ดูก่อนนันทะได้ยินว่าเธอได้บอกแก่ภิกษุไปอันมากอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์แล้วผมจะขอคืนสิกขาราเพศดังนี้จริงหรือท่านพนันทะกราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะดูก่อนั น, นทะเธอ จะบอกคืนสิกขาราเพศเพื่อเหตุไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อข้าพระองค์ออกจากเรือนมานั้นนางสากิยานีอ่าอันนี้คือคือภรรยานี่แหละภรรยาของของเจ้าชายนันทะละนะอ่านางสากิยานีผู้ชนบทกาลยาณีมีผมอันสางไว้กึ่งหนึ่ง สางไว้ครึ่งหนึ่งอ่ะนะสางผมยังไม่เสร็จด้วยง่ายาสางไว้ส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วเหลืออีกส่วนหนึ่งอยู่เนี่ยได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระขอพระลูกเจ้าพึงด่วนเสด็จกลับมาหาหม่อมฉันข้าพระองค์รึกถึงคําของนางนั้นจึงเกิดคิดถึงนางไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์ไม่ได้จะบอกคืนสิกขาลาเพศ นะพูด ง, ง่ายๆว่าพอเจ้าชายนันทามาบวชแล้วเนี่ยก็คิดถึงนางสากิยานีนะหรือบางทีหนังสื อ, อ, อทั่วๆไปเขามากักจะใช้คำว่าชนบทกาลยานีนะก็เหมือนกันนั่นแหละแต่จริงๆชื่อจริงๆคือสาวกยานีตอนนี้ปรากฏว่าผู้เจ้าเนี่ยเอามาโดยที่ถ้าจะบอกกันตามตรงแล้วก็คือว่ายังไม่ได้พร้อมอ่ะ นายเจ้าชายนันทานียังไม่พร้อมเลยพระพุทธเจ้าท่านก็รวบรัดรวบรัดตัดมือตัดเท้าเลยพูดง่ายๆนะจับบวชเลยนะให้ให้ถือบาตรตามมาไงพระเจ้าเสด็จออกมาเนี่ยแล้วก็ให้เจ้าชายนันทาเนี่ถือบาตรตามมาเดี๋มาถึงที่พักแล้วก็ให้บวชตอนนี้ยังไม่พร้อมอ่ะใจจริงๆนี่ยัยงยังลากยังคิดถึง นางสาวกิยานีนี่อยู่เลยเพราะฉะนั้นก็เลยพอพอนึกถึงที่ไรอะ่ะนึกถึงว่าเออมันเป็นภาพะนะนึกแบบมโนภาพเนี่ยจินตนาการาว่าว่าโอ้โหภรยาเพิ่งแต่งงานด้วยไม่นานนี่ใช่ั้มบอกว่าให้รีบกลับนะให้รีบมาหานะาแล้วก็คงจะต้องสวยด้วยนะนางสาวกิยานีเนี่ยก็คงจะต้องสวยด้วยเพราะนั้นก็เลยคิดถึง พอคิดถึงขึ้นมาเนี่ยก็เกิดกามเกิดราคะกุ้มลุมอย่างเงี้ยก็ไม่อยากประพฤติพรหมจรรย์แล้วนาะยอยากจะลาศึกอะด้วยเหตุ น, นั้นเองพระผู้มีพระภาคทรงจับท่านพนันทะที่แขนแล้วทรงหายจากพระวิหารเชตวันไปปรากฏในเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงเหมือนบุรุษมีกำลังพึงเหยียดแขนที่คู้ หรือพึงคู่แขนที่เหยียดฉะนั้นผู้เจ้าพอฟังเหตุผลของของพระนันทะเท่านั้นเองอะใช่ไหมพูดง่ายว่าไม่พูดพ ร, ร่ำทาเพลงอะจับแขนพระนันทะเลยแล้วก็อันนี้เขาพูดเป็นปุคลาธิฐานะนะว่าผูดง่ายว่าหายตัวแวบจากพระมิหารเชดวันนี่ไปเลยที่ดาวดึงแต่จริงๆแล้วเท่ากับถ้าพูดเป็นธรรมมาธิฐานเนี่ย ก็หมายถึงว่าเอาจิตนะเพราะจริงจริงเราจะเกี่ยวกับเรื่องจิตนะเอาจิตของผู้ที่แม้จะคิดถึงเรื่องอะไรอะโลกโลกเนี่ยใช่ไหมคนที่จิตเนี่ยฟุง้งน่าจะคิดเรื่องกามคิดเรื่องราคค่าคิดเรื่องโลกเนี่ยดึงไปเลยให้ไปอยู่ในชั้นของเทวดาอย่างเงี้ยดาวดึงเนี่ยก็อยู่ชั้นของเทวดาก็าคือดึงจิตให้สูงขึ้นเข้าใจไหมเขาถึงบอกว่าเทวดาเนี่ยคือผู้ที่มี ใจสูงนะเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าเนี่ยดึงแขนเลยให้หายตัวแวบไปอยู่ชั้นดาวดึงก็คือจะดึงกิตของพระนันธานเนี่ยให้สูงขึ้นนี่เป็นธรรมมาทิฏฐานนะจะดึงให้ขึ้นไปเป็นเทวดาเพราะว่าถ้าอะไรถ้ามีการกุ้มลุมมีความคิดในเรื่องของราคะอะไรพวกนี้เนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรมันทุกข์แล้วมันคิดถึงนางสากิยานีแล้วอย่างเงี้ย เป็นไงจิตใจมันจะอา่าจิตใจมันจะเร่าร้อนบ้าวุ่นคือจิตอย่างนี้มันลงนรกแล้วมันไม่ได้ไปสวรรค์เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจิตอย่างนี้มันเอาลงต่ํานี่นะมันไฟตามนี่จิตอย่างนี้มันลงนรกนี่ พ, พ่านผู้จ้าก็ต้องเอาเราจะต้องดึงจิตขึ้นมาแล้วดึงจิตของพระนันธานเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เลยเปรียบเนี่ยก็เหมือนแบบแม่ชัฤทธิ์เลยนะดึง พนันทะไปเลยไปอยู่เทวดาชั้นดาวดึงเลยในเวลานั้นเองนางอับสอนประมาณ500รนางซึ่งมีเท้าดุกดุดนกพิราบแมหมจะหมายความว่างไงเนี่ยเท้าดุดนกพิราบเป็นยังไงเอาเอาเท้านกพิราบผ่อนเป็นยังไงเท้านกพิราบ สีชมพูนะมันไม่ใช่แดงมั น, ม, นมันก็ออกแดงๆอ่ะ น, นะแต่มันจะออกชมพูนะเขาคงจะเปรียบอย่างนั้นอนะ่ะมันเรียวอ่าเท้าเรียวนะแล้วก็เป็นสีชมพูสวยอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นปุกคลาที่ฐานเหมือนกันใช่ไหมภาษาก็บอกว่าแหมเนี่ยนางอักษรนี่ก็คือพวกนางฟ้านี่นพวกนางฟ้าห้า้อนางเนี่ยมีเท้าดุดนกพิราบแหม ก็หมายถึงว่าแสดงว่าโอ้โหนะผิวพรรณหน้าตาอะไรพวกเนี้ยจะต้องสวยสดงดงามนะมีผิวสีชมพูอะไรอย่างงี้นะรูปทรงองเอวก็คงต้องเปรียวอ่ะนะไม่ใช่เป็นตุ่มลอยมาอันนี้เนี่ยในเวลานั้นเนี่ยพวกนางฟ้า500้นี่นะก็ถวายความสำราญแ ด, ด่เท้าสักกะจอมเทพอยู่ พระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระนันทะว่าดูก่อนนันทะเธอเห็นนางอับสอนผู้งดงามตั้งห้าร้อยเหล่านี้ห ร, หรือไมอ่ก็บอกเลยบอกเนี่ยเห็นหมพวกนางฟ้าเหล่านี้พระนันธาเห็นไหมท่านพระนันทะทูลรับว่าเห็นพระเจ้าค่าดูก่อนนันทะ เธอจะสํคัญเ ธ, เธอจะสคัญความข้อนี้เป็นไหนนางสากิยานีผู้ชนบทกาลยานีหมายถึงว่าผู้เจ้ากำลังจะเปรียบะนะบอกว่าเนี่ยแฟนเธอผู้เงง่ายนะเออภรรยาของเธอเนี่ยหรือนางอักษรประมาณ500เหล่านี้ใครหนอมีรูปโฉมงดงามกว่าหน้าดูกว่าหรือหน้าเรื่อมใสกว่ากัน ผู้เจ้าก็ถามเลยนี่พระนันทาก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางลิงผู้มีอวัยวะใหญ่น้อยถูกไฟไหม้หูและจมูกขาดฉันใดนางสากิยานีก็ฉันนั้นเมื่อเทียบกับนางอับศรประมาณ500เหล่านี้ย่อมไม่เข้าถึงเพียงหนึ่งเซี่ยวไม่เข้าถึงเพียงส่วนหนึ่งของเซี่ยว ไม่เข้าถึงเพียงการเอาเข้าไปเปรียบกับหญิงนี้เป็นเช่นนั้นที่แท้นางอับษรประมาณ500เหล่านี้มีรูปงามกว่าหน้าดูกว่าและหน้าเรื่อมใสกว่าพระเจ้าข้าเจ้าชายพระนันทาก็ตอบไปตามความรู้สึกของตัวเองบอกโอ้โหอย่าเอามาเปรียบกันเลยพูดหนากถึงขนาดว่าว่ายกตัวอย่างนะ ว่เหมือนกับลิงโดนไฟไหม้คือคือไฟเนี่ยไหม้ลิงตัวนี้อ่ะนะเรียกว่าโอ้โหอะไรจมูกแหวงไปมั่งนะอวัยวะเนี่ยแหวงไปมั่งโดนไฟไหม้ก็คิดดูก็แล้วกันนะตัวก็คงจะต้องเกรียมใช่ไหมแต่หมายถึงว่ายังไม่ตายนะแต่สภาพทุรักษ์ทุเลแล้วก็หน้าหน้าตาคงจะน่าเกลียดมากอะ่ะเหมือนกับอะไรอะ่ะที่อะไรนะที่ตรงสะพาน สภาพเออรถแก๊สระเบิดอะ่ะใช่ไหมโอ้โหโดนไฟไหม้อะ่ะเห็นแล้วน่าสงสาระนะนี่ก็เหมือนกันเพราะนันทาก็บอกว่าเนี่ยไม่เปรียบคนด้ยนะเปรียบลิงบอกว่าลิงที่โดนไฟไหม้อย่างนี้แล้วเนี่ยทั้งตัวอย่างเงี้ยนะดูสภาพว่ามันน่าเกียดขนาดไหนบอกลิงเท่า น, นั้นน่ะเปียบเหมือนกับใครเปรียบเหมือนกับนางสายกิยานีอะ่ะคือถ้าจะไปเปรียบกับ เอาไปเปรียบกับคนเงี่ยใช่ไหมกับไปเปรียบกับคนสวยเงี่ยบอกโอ้โหเปรียบกันไม่ได้เลยนะแล้วไม่ใช่เปรียบไม่ได้ธรรมดานะบอกว่าลิงที่ที่จมูกแหวงจมูกขาดวายวะพิการไปเนี่ยนะเอามาเปรียบกับพวกนางอับซอพวกนี้คือเปรียบกับพวกนางฟ้าเนี่ยยังไม่ได้เป็นเซี่ยวเลยนะเซี่ยวนึงนี่ก็ไม่รู้ เขาจะหมายถึงขนาดไหนนะแต่เซี่ยวนึงเนี้ยมันหมายถึงนิดเดียวเองนะอาตมาก็ไม่รู้ว่าจะกะี่เปอร์เซ็นต์นะเซี่ยวนึงเนี่ยแล้วตอนนี้ย้ําลงไปอีกนะว่าไม่ถึงเพียงส่วนหนึ่งของเซี่ยวอีกนฟังดูให้ดีนะถ้าบอกว่าเซี่ยวนึงนี่มันยังใหญ่นะแต่นี้เนี่ยพระนันธานเนี่บอกว่ามันยิ่งกว่านั้นอีกมันยังไม่ถึงหนึ่งหนึ่งของเซี่ยว หน้1ึ่งของเซี่ยวอีกทีหนึ่งวันนึงบอกว่าโอ้โหมาเปรียบกับนางฟ้านี่ไม่ได้เลยแสดงให้เห็นว่าว่านางฟ้าเหล่านี้จะต้องสวยสดงดงามกว่ากันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นเท่าหมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยบอกว่ารูปงามกว่าหน้าดูกว่าหน้าเลื่อมใสกว่าพระเจ้าก็เลยบอกว่ายินดีเถิดนันทะ พี่รมเถิดนันทะเราเป็นผู้รับรองเธอเพื่อให้ได้นางอับสรประมาณ500รซึ่งมีเท้าดุดนกพิราบอ้าวผู้เจ้าไงตรัสอย่างนั้นนะบอกว่าเอาแม้เราจะรับรองเธอเองว่าเธอได้แน่แน่นางฟ้าที่สวยอย่างน 500, เนี้ยห้าร้อยเนี่ยเธอได้แน่นอนเราจะเป็นผู้รับรองด้วยผู้เจ้าบอกมานะ บอกว่าให้ยินดีให้ให้พอใจในนางฟ้านี่เลยผู้เจ้าตัด อ, อย่างนี้นะโอบอกให้ยินดีด้วยให้พอใจด้วยให้ให้อภิยรมเลยหมายถึงว่าให้ยินดีให้พอใจเลยให้เพลิดเพลินในนางฟ้าเหล่านี้เลยนะแล้วเป็นผู้รับรองด้วยว่าเธอได้แน่แน่ห้าร้อยนี่บอกเอาไหมล่ะนะผู้เจ้าบอกเอาไหมล่ะอ่านี่พระนธา บ, บอกข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงรับรองให้ได้นางอับสอประมาณห้าร้อยเานี้ข้าพระองค์จัดยินดีประพฤติพรหมจรรย์พระเจ้าค่ะเอาเลยเจอแหม่แมเหมือนติดสินบนเลยนะงานนี้เหมือนติดสินบนเลยหรือว่าเหมือนกับเอาเหยื่อมาล่อเลยแต่จะมาบอกแล้วว่าปุคคลาธิฐานเนี่ยเวลาเราอ่านเราต้องเข้าใจเป็นธรรมธิฏฐานเกียจะมาบอกแล้วนะ ว่านางฟ้าหรือว่าเทวดาเนี่ยหมายถึงว่าผู้ที่มีจิตใจสูงแล้วาหมายถึงว่าสภาวะจิตที่สูงขึ้นถ้าใครอ่านแล้วเข้าใจเนี่ยจะไม่สงสัยเลยทำไมพระเจ้าท่านตัดอย่างนี้นะมันเหมือนกับเคยพูดมาบ่อยว่าเราอร่อยในเนื้อสัตว์เนี่ยนะอันนี้ก็เอาอร่อยในมังสวิรัตเนี่ยมาล่อให้กินใช่ม อามาร่อแทนถ้าจะพูดว่ายังอร่อยอยู่ไหมก็ต้องยอมรับว่ายังอร่อยอยู่เลิกอร่อยเนื้อสัตว์นะมาอร่อยมังสวิรัตรนะก็อร่อยอยู่ถ้าถามว่ามีกามในนั้นไหมก็ยังต้องตอบว่ายังมีกามในนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกามที่สูงขึ้นกว่าเดิมแล้วมางกินอร่อยในมังสวิรัติกิดก็ยังสูงกว่าไปอร่อยในเนื้อสัตว์เห็นไหมา ถ้าจะพูดถึงเรื่องกรารก็เบาบางกว่าอ น, นุนวันคนที่เขาเลิกติดอร่อยในเนื้อสัตว์ได้นะมาติดอร่อยในบงังสิบรสจิตเขาก็ยังสูงขึ้นจิตเขายังเป็นเทวดาหรือว่าเป็นนางฟ้าขึ้นมาได้ไเหมือนการพูดเจ้าเนี่ยท่านก็ก็เหมือนอย่างนี้แหละท่านก็บอกอ่าต้องการแม่อย่างนี้ถ้าต้องการนางฟ้าอย่างนี้เอาสิรับรองให้ด้วยเพราะอย่า ง, งน้อยเนี่ยคนนั้นก็จะจิตสูงขึ้น ไม่ได้ต่ําลงกว่าเดิมนะอย่างน้อยก็จิตสูงขึ้นกว่าเดิมแนะ่เพราะฉะนั้นแล้วบางทีบางครั้งเนี่ยถึงได้เคยพูดกันนะ่ยนะอาหารบางสิวิรัตที่ทําำๆกันขายทั่วๆไปเงี้ยบางทีเขาจะทําอร่อยบ้างอะไรบ้างเราก็อย่าไปอะไรเขามากมายถ้าเขาทําแบบว่าคนทั่วๆไปเนี่ย อย่ามาตีกินอย่ามาตีกินนะในวัดหรือว่าอะไรอย่างนี้นี่มันก็ต้องอีกระดับหนึ่งล้วก็ต้องทำให้จิตสูงขึ้นกว่าอย่างนั้นอีกแม้เป็นมางสวิรัติเนี่ยก็ต้องเป็นเทวดาที่ชั้นสูงขึ้นนะไม่ใช่เป็นเทวดาแต่ C1 หนึ่งนะเราก็ต้องเทวดา C2 C ส, สขึ้นไปเรื่อยนะจนถึงเทวดาชั้น40สนั่นแหละ ไม่รู้สี่สิบนี่จะหมายถึงเท่าส ก, กัดจอมเทพหรือเปล่าไม่รู้นะเ น, นี่ยเราต้องเข้าใจถ้าอ่านแล้วแต่ น, นี้พอพอผู้เจ้าท่านตัดอย่างนี้ปั๊บใช่ไหมพนันทาก็แม่ทันทีเลยเพราะตอนนี้จริงๆแล้วสภาวะจิตของพนันทานี่คืออะไรต้องการอะไรอยู่ต้องการจะศึกอยู่มาลำมาล่อแล้วอใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยประกาศแล้วด้วยว่าจะศึกแล้วล่ะไม่อยู่แล้วล่ะ พรคิดถึงนางสายกิยานีเนี่ยจะไปให้ได้อยู่มะละมันล่อนะเพราะจิตกามันกุ้มลุมอ่ะอยากจะไปหานางสายกิยานีที่สวยงามเพราะฉะนั้นแล้วนี่คราวนี้พอผู้เจ้าท่านบอกว่าโอ้โหสวยกับนางสายกิยานีนี่อีกร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าเนี่ยของมันสวยกว่าตั้งเยอะดีกว่าตั้งเยอะจะเอาใครล่ะจะเลือกจะเลือกที่ไหนอะ่ะเพราะนั้นพระนันทะ ตอนนี้มีการกุ้มลุมใช่มก็โอ้โหก็ต้องเลือกอันนี้สนะิจะว่าเอามาลอกก็เอามาอลอกละแต่แต่ลอกหรือว่าจะใช้คำว่าหลอกก็ได้นะอันนี้เป็นภาษาหนักหนักหน่อยจะใช้คาว่าหลอกแต่หลอกเพื่อให้ดีแล้วก็ไม่ใช่หลอกแบบว่าหลอกลวงโดยที่ไม่จริงด้วยหลอกจริงๆหลอกจริงๆเนี่ยหลอกให้ดีจริงๆ นะบางทีบางคนใช้คำว่าหลอกแต่จริงๆแล้วไม่ได้หลอกโดยสัจจะแล้วเนี่ยพุทธเจ้าท่านไม่ได้หลอกเลยว่าถ้าถ้าสมมุติว่าปฏิบัติธรรมสูงขึ้นจริงแล้วก็จะได้เป็นนางฟ้าจริงด้วยจะได้เป็นเทวดาจริงด้วยเพราะฉะนั้นโดยโดยแท้แล้วเนี่ยไม่ได้หลอกแต่ถ้าโดยสภาวะอย่างเงี้ยถ้าใครอ่านเนี่ยนะถ้าใครแบบเพ่งโทษหรือว่าบางทีรู้สึกไม่ค่อย อะไรอ่ะไม่ค่อยเห็นด้วยเนี่ยก็อาจจะใช้คําว่าหลอกแต่ตัวนี้แท้แล้วไม่หลอกเหมือนกับบางคนนะ่ยบอกว่าโอ๊ยนี่ยังอยากกินมังสวิรัตอยู่เลยเนี่ยใช่ไหมทำไมยังอยากอยู่หรือว่าอยากได้นิพพานอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็กาังกิเลสอยู่ยังอยากได้อยู่ก็มันเป็นภาษาว่าอยากแต่ความจริงนั่นนี่มันมันอยากน้อยลงกว่าเดิมนะหมายถึงกิเลสเนี่ยมันน้อยลงกว่าเดิมนะ วันถ้าโดยสัจจาโดยแท้แท้แล้วนะ่ะมันหมายถึงว่าลดความอยากและต่างหาอยากในเนื้อสัตว์กับอยากในมั ง, มงสวิรัตเนี่ยถ้ามาอยากในมังสวิรัตกิเลส น, น้อยกว่าอยากในเนื้อสัตว์มันลดมาแล้วแต่มันเป็นภาษาที่บางทีฟังแล้วมันเหมือนไม่ดีใช่ไม่มมันเป็นภาษาที่เป็นมุมลบแต่จริงๆแล้วโอ้ยต่างกันเลยนะไม่อยากคําเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันเลยอยากอย่างนึงนี่ยัง ยังกิเลสหนาะอยากอย่างหนึ่งนี่กิเลสลดลงแล้วนะตอนนี้พอพระพุทธเจ้าท่านตัดอย่างนี้ปับ๊บพระนันทาก็โอ้ยินดีด้วยนะดังนั้นพระผู้มีพระภาคทรงจับท่านพระนันทะที่แขนแล้วทรงหายจากเทวดาชั้นดาวดึงไปปรากฏที่พระวิหารเชตวันอ่าคราวนี้ก็ดึงกลับมานะ เีนี้พาจะยกจิตของพนันทะให้สูงขึ้นเนี่ยนะคือพูดง่ายๆว่าอยากได้ผู้หญิงใช่ไหมมันก็เอาให้อยากได้ผู้หญิงที่สูงกว่านั้นที่ดีกว่านั้นอีกนะที่มีมีจิตที่สูงสูงขึ้นไปอีกหรือว่าแทนที่จะเป็นศีลธรรมดาก็เป็นอธิศีลจิตขึ้นไปอีกใช่ไหมพอพอพนันทะบอกว่าเอาตกลงปับ๊บอ่า ตอนนี้ก็พาจิตกลับมาพาจิตกลับมาให้อยู่ในสภาวะปกติของผนันทะแล้วนะไม่ได้สะกดจิตนะเราอาจจะใช้คําว่าจูงจิตไปนะตอนนี้ก็จูงจิตไปนี่หมายถึงว่ามีผู้คอยพานําหรือว่าพาทำนะถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจูงไปแต่ตอนนี้ปล่อยแล้วผู้เจ้าปล่อยแล้วมันพอปล่อยปั๊บคนนั้นต้องพึ่งตนเองมากๆแล้ว ต้องใช้จิตของตัวเองมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องบังคับจิตของตัวเองให้ได้เพราะว่าไม่มีผู้คอยช่วยเหลือแล้วนะคราวนี้พระเจ้าก็เนี่ยพากลับมากลับมาสู่โลกโลกมนุษย์นาจากเทวดานี่กลับมาสู่โลกมนุษย์เมื่อภิกษุทั้งหลายได้สดับข่าวว่าท่านพนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุแห่งนางอับสรแล้วพระผู้มีพระภาคเป็นผู้รับรองท่าน เพื่อให้ได้นางอับสอนประมาณห0 0รซึ่งมีเท้าดุดนกพิราบเอารล้นี้ข่าวกระจายไปแล้วนะ